เริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่หพฤษภาคมพุทธศักราช 2,558 ราเป็นวันหยุดราชการเนื่องจากเป็นวันชาตรมงคลพวกเราจึงได้มีเวลาว่าได้มาวัน เพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาทาบุญสร้างกุศลที่จะเป็นที่พึ่งของเราต่อไปเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงที่ถาวร น, นอกจากบุญกุศลเท่านั้นเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ย่อมมีวันเสื่อมมีวันหมดไปเป็นธรรมดาแต่สิ่งที่จะไม่มีวันเสื่อม ไม่มีหมดไปก็คือมูลกุศลและตัวเราคือจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันจิตใจของพวกเราก็ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันสูญดังนั้นจิตใจของเราจึงไม่ควรไปพึ่งสิ่งที่มันจะต้องสูญต้องเสือ่อมเพราะว่าเมื่อมันสูญมันเสือ่อมก็ต้องคอยหาใหม่มาทดแทนอยู่เรื่อยๆหามาได้เท่าไหร่ มันก็ต้องสูญต้องเสื่อมหมดไปในที่สุดอยู่ดีเวลาสูญเวลาเสื่อมก็เป็นเวลาที่เราต้องทุกข์ลำบากเศร้าโศกเสียใจทรมานใจเพราะเราไม่อยากจะสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราอุตสาหามาได้แทบเป็นแทบตายแต่เราลืมไปว่าสิ่งต่างๆที่เราแสวงหากันนี้ในที่สุดก็ต้อง มีวันจบสิ้นมีวันหมดไปมีสิ่งเดียวที่ไม่หมดไม่สิ้นก็คือบุญกุศลพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงตัดสร้ได้พบความจริงอันนี้ว่าที่พึ่งของใจของพวกเรานี้อยู่ที่บุญที่กุศลเพราะถ้าเรามีบุญมีกุศลก็เหมือนกับเรามีลาภยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสผลพระ ให้เส็อยู่ตลอดเวลาไม่มีวันหมดคิดดูถ้าเราได้ภรรยาหรือสามีที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่จะเป็นยังไงจะดีหรือไม่ดีสำหรับคนบางคนอาจจะดีถ้ารักกันถ้าไม่รักกันก็คงจะไม่ดีเพราะจะต้องทนอยู่กันไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนะแต่บุญกุศลนี่เป็นสามีภรรยาที่ดี ที่จะอยู่กับเราไปตลอดนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบเตรียมได้สลสะของปลอมของที่ไม่แท้ของที่จะต้องมีวันเสือ่อมมีวันหมดไปทรงสละพระมเหสีภรรยาทรงสละราชโอรสรูปทรงสละราบยศสารเสริญของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็ทรงเห็นว่า ของเหล่านี้มันต้องมีวันสิ้นมีวันสุดนะแม้แต่สังขารร่างกายของพ่อองค์เอง mm. ก็เช่นเดียวกัน mm. ก็ต้องมีวันสิ้นมีวันสุดเหมือนกันพ่อองค์ทรงเห็นอนาคตแล้วว่ามีแต่ความทุกข์รออยู่ข้างหน้าพวกเราทุกคนนี่มีความทุกข์รอเราอยู่กันข้างหน้าแต่เราพยายามไม่มองไม่คิดถึงมันเลยคิดว่ามันไม่มี พอเวลามันเกิดขึ้นมาเราก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันถ้าเราฉลาดสักนิดคิดสักหน่อยคิดว่าอนาคตนี้เราจะต้องสูญต้องเสียสิ่งต่างๆที่เรารักที่เราหวงที่เราอุตส่าหามาได้แทบเป็นแทบตายไปเราก็อาจจะได้คิดว่าเนี้ยงั้นเราควรจะหาอะไรดีกว่าถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนา ในพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะสอนเราว่าให้มาหาบุญกุศลดีกว่าบุญกุศลนี้เป็นเหมือนสามีภรรยาที่ซื่อสัตย์ที่จะรักเราไปตลอดไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนกันตั้งแต่วันแรกที่ได้พบกันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงจะให้กระความสุขเราไปตลอดเช่นเดียวกับลาบยศสรเสริญรูปเสียง กิ่นสต่างๆบุญกุศลนี้ก็จะให้เราเช่นเดียวกันแต่เป็นลาบยศสรรเสริญที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปแล้วก็ร่างกายก็ไม่ต้องมีร่างกายแบบที่เรามีกันอยู่เพราะเป็นร่างกายที่จะต้องเสื่อมเช่นเดียวกันเป็นร่างกายที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายบุญกุศลนี่แหละเป็นล่างทิพย์เป็นที่ทําให้เรา อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไปอย่างไม่มีสิ้นสุดอย่างพระพุทธเจ้าตอนนี้ร่างกายของพระองค์ได้แตกดับไป 2,500 กว่าปีแล้วแต่พระองค์ก็ยังประทับอยู่อย่างมีความสุขเพราะพระองค์ทรงมีบุญมีกุศลนั่นเองเราจึงควรที่จะเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติตาม แล้วเราจะได้ไม่ต้องมาร้องผมร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกับการสูญเสียสิ่งต่างๆที่เราหามาได้แทบเป็นแทบตายไปเช่นวันนี้ชีวิตนี้สิ่งแรกที่เราได้เราก็คือร่างกายพอเราได้ร่างกายคลอดออกมาจากท้องแม่พ่อแม่ก็เลี้ยงดูให้เราเจริญเติบโตแล้วก็ให้เรามีวิชาความรู้ต่างๆ เพื่อที่เราจะได้รู้จักวิธีรักษาชีวิตของเราให้ปลอดภัยและให้เราหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราพอเราเรียนจบเราก็ได้ทำงานพอทำงานเราก็มีเงินพอมีเงินเราก็พร้อมที่จะมีครอบครัวเราก็ไปมีสามีมีภรรยามีทรัพย์สมบัติข้าวของเงิงนทองต่างๆ มีบุตรนิธิดาแต่ในที่สุดเวลาเราแก่เราเจ็บเราตายไปของพวกนี้ก็กลายเป็นของคนอื่นไปหรือถ้าเขาตายจากเราไปก่อนเราก็อยู่อย่างว้าเวอยู่อย่างเศร้าส้อยหอยเหงาเราก็เลยต้องไปหาใหมา่ถ้าสามีภรรยาตายไปก็ต้องไปหาสามีภรรยาคนใหม่ เพราะเราอยู่คนเดียวไม่ได้เราไม่มีที่พึ่งเราจึงต้องหาสิ่งต่างๆมาเป็นที่พึ่งมาให้ความสุขกับเราแต่หามาได้เท่าไหร่ก็จะต้องสู์หมดไปความสุขที่ได้มาก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปแม้แต่ร่างกายอันนี้ในที่สุดก็จะต้องหมดไปหมดไปแล้วก็ต้องไปหาใหม่ไปเกิดใหม่ พอไปพอมาเกิดใหม่ก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายใหม่เนี่เป็นวิธีการหาความสุขหาที่พึ่งของพวกเราที่พวกเราได้ทำกันมาอย่างโชคโชนนับไม่ถ้วนพบชาติที่พวกเราได้มาเกิดแก่เจ็บตายนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าทรงนับไม่ถ้วนเพราะว่ามันไม่มีการสิ้นสุดนั่นเองเพราะว่า เรายัางต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เพื่อมาให้เป็นที่พึ่งของเราเพื่อมาให้ความสุขกับเราแต่สิ่งที่เราหามันเป็นของชั่วคราวไม่ถาวรถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดงสติมาพบกับความจริงมาพบกับที่พึ่งที่ถาวรที่แท้จริงพวกเราจะไม่มีวันรู้ พวกเราก็จะมัวแต่หาที่พึ่งชั่วคราวไปอย่างนี้ต่อไปอีกไม่รู้กี่กี่ล้านกี่พันล้านชาติต้องเกิดแก่เจ็บตายซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะสามารถปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้เราปฏิบัติได้คือให้สร้างบุญสร้างกุศลให้ถึงพร้อมถ้าเรา หมันสร้างบุญสร้างกุศลอย่างที่วันนี้พวกเรามาทํากันถ้าเราทําอยู่เรื่อยๆต่อไปบุญกุศลนี้ก็จะมาทําหน้าที่แทนร่างกายของเรามาทําหน้าที่แทนทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของเรามาทําหน้าที่แทนสามีภรรยาของเรามาทําหน้าที่แทนบุตรธิดาของเราเราจะอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างมหาเศรษฐี และก็เป็นมหาเศรษฐีแบบถาวรนอย่างพระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายพระอาหารหันตสาวกนี้ก็คือพวกที่ได้พบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนาเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติได้ก็จะได้บุญได้กุศลอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้สรงได้เมื่อได้แล้วก็สบายไม่ต้องกลับมหา ที่พึ่งชั่วคราวอีกต่อไปถ้าเรายังไม่ได้บุญกุศลเราก็ยังต้องมาหาที่พึ่งชั่วคราวอยู่เรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็หามาได้เท่าไหร่ก็ต้องหมดไปแล้วเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่มี โอกาสที่จะได้รู้จักวิธีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างที่พึ่งอันประเสริฐให้กับพวกเราชาตินี้ยังถือว่าเป็นโชควาสนาของพวกเราที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงอย่าทำตัวเป็นเหมือนไก่ได้พลอยไก่นี้เวลาคุยเขี่ยกเขาจะหาแต่ไส้เดือนหรือตัวนอน เพราะมันเป็นอาหารของเขาเวลาเขาเจอเพชดเจอพลอยเขาก็จะเขียเข่ยทิง้งเขี่ยทิ้งเพราะเขารับประทานมันไม่ได้เขาไม่รู้คุณค่าของเพชรกับพลอยนี่ว่ามีคุณค่ามากมายเพียงไรถ้าเขารู้เขาเอาไปขายเขาก็ไม่ต้องมาหาใส้เดือนกินไปตลอดชีวิตเอาเพ็ดเอาพลอยไปขายก็จะมีใส้เดือนกินไปตลอดชีวิตไม่ต้องเหนื่อยยาก ดัในใดบุญกุศลนี่ก็เป็นเหมือนเพชรเหมือนพลอยถ้าพวกเรามีแล้วพวกเราก็จะสามารถเอาไปซื้ออะไรต่างๆได้ซื้อความสนิทซื้อความสุขทุกรูปแบบได้และเป็นความสุขที่ดีที่ถาวรด้วยดังนั้นขอให้พวกเราจงมองพระพุทธศาสนามองคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นเหมือนเพชรเหมือนพลอย การเรียกว่ารัตนะพระพุทธธรรมพระสงค์นี้เป็นพระรัตนาไตรเป็นเพชรพลอยที่มีคุณค่าอย่างยิ่งแล้วถ้าเราเข้าถึงพระพุทธธรรมพระสงค์เราสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เราก็จะได้เพชรพลอยอันประเสริฐนี้มาเป็นที่พึ่งของเราต่อไปดังนั้น ชาตินี้เราได้มาเกิดพบกับพระพุทธศาสนาแล้วอย่าปล่อยให้คำสอนของพระพุทธศาสนาที่จะพาให้เราได้ไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขที่ถาวรพยายามศึกษาให้มากฟังเทศฟังธรรมให้มากแล้วนำเอาคำสอนที่เราได้ยินได้ฟังนี้ไปปฏิบัติกันเมื่อปฏิบัติแล้วเราก็จะได้ มีแต่ความสุขบุญที่พระเจ้าทรงสอนไว้นี่ก็มีอยู่สิบข้อด้วยกันบุญข้อที่หนึ่งก็คือทานแปลว่าการให้ให้ข้าวของเงินทองก็เรียกว่าวัตถุทานให้วิชาความรู้แก่ผู้อื่นโดยไม่คิดเงินคิดทองก็เรียกว่าวิทยาทานให้อภัยต่อผู้อื่นเวลาพูดทำ ให้เราต้องเดือดร้อนไม่เราก็ไม่ถือโทษกอดเคืองเ็าเรียกว่าให้อภัยอภัยทานแล้วถ้าเรามีความรู้ทางธรรมะเวลามีใครเขาทุกข์ใจเดือดร้อนใจเราก็เอาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้เขาไปเขาก็สามารถที่จะดับความทุกข์ใจด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็เรียกว่าธรรมทาน นี่คือสิ่งที่เราสามารถให้แก่ผู้่นได้ให้แล้วจะทำให้ผู้อื่นเขามีความสุขเขาจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนี่คือ<ม>ทานบุญข้อที่หนึ่งบุญกุศลข้อที่หนึ่งอย่างที่ญาติโยมวันนี้มาถวายข้าวปลาอาหารนี่ก็เรียกว่าวัตถุทานทำแล้วก็จะทำให้ใจเรามีความสุขมีความอิ่มเอิใจ ทำบ่อยๆใจเราก็จะไม่หิวไม่อยากได้อะไรอยู่เฉยๆก็มีความสุขเพราะบุญนี้เป็นเหมือนอาหารของใจนั่นเองถ้าเราเอาเงินที่เราจะทำบุญนี้ไปซื้อข้าวซื้อของไปซื้อสิ่งต่างๆที่ไม่จำเป็นที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเราเราก็จะได้ความสุขเดี๋ยวๆแต่เราจะไม่ได้รับความอิ่มเดี๋ยวเราก็หิวเราก็อยากจะได้อีก ถ้าเราไปเที่ยววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็อยากจะไปเที่ยวอยีกแต่ถ้าเราทำบุญวันนี้พรุ่งนี้เราก็อยู่บ้านได้ไม่เดือดร้อนไม่ต้องออกไปเที่ยวเพราะใจเรามีความสุขมีความอิ่มนั่นเองงนั้นขอให้พวกเราทำทานกันบ่อยๆข้อที่สองบุญที่เกิดจากการรักษาศีลก็คือการไม่ทาบาปหประการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิด ต, ตัวเองี ไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมาเพราะการกระทำเหล่านี้จะทำให้ใจเราทุกข์นั่นเองถ้าเราไม่ทำใจเราก็จะสุขจะสบายไม่เดือดร้อนข้อที่สามคือภาวนาภาวนาก็คือการพัฒนาจิตใจให้มีความสงบคือสมาธิและให้มีความรู้คือปัญญาเพราะถ้าใจมีสมาธิมีปัญญาใจจะสามารถ ดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างอย่างถาวรต่อไปจะไม่มีความทุกข์มาทำให้เราเดือดร้อนใจต่อไปนี่คือภาวนาข้อที่สี่ก็คืออุทิศบุญเวลาเราทำบุญแล้วเรามีบุญอุศนี้เราก็แบ่งให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วได้พราผู้ที่ร่วงลับบางทีตอนที่เขามีชีวิตอยู่ เขาไม่มีเวลาทำบุญหรือเขาไม่เชื่อบุญพอเขาตายไปเขาเลยไม่มีบุญไปเขาก็เลยอยู่แบบขอทานบุญนี้เป็นเหมือนอทรัพย์ที่เขาจะสามารถเอาไปซื้ออาหารซื้อที่อยู่อาศัยซื้ออะไรต่างๆได้พอเรามีบุญเราทำบุญเราก็อุทิศไปให้เขาเขาก็จะได้อยู่อย่างสุขสบายต่อไปนี่เรียกว่า บ, บุญอุทิศ บุญข้อที่5ก็คือบุญอนุโมทนาบุญคือการแสดงความชื่นชมยินดีกับการทําบุญของผู้เวลาผู้เขาทําบุญเราควรที่จะชื่นชมยินดีอย่าไปคิดว่าไม่ดีอย่าไปท้วงเขาอย่าไปทักเขาเพราะบุญนี้เป็นเหมือนอาหารเป็นเหมือนที่พึ่งของใจนั่นเอง นั้นถ้าเขาทำบุญแสดงว่าเป็นสิ่งที่ดีเราอย่าไปขัดขวางควรจะชื่นชมยินดีหรือถ้าเราอยากจะทำบุญด้วยเราก็ร่วมทำไปด้วยก็ได้ทำน่าจะทำให้เรามีความสุขใจถ้าเราไม่อนุมโมทนาบุญเช่นบางทีเราไม่เชื่อบุญพอเห็นคนอื่นทำบุญเราก็เกิดความรู้สึกไม่ดีไม่อยากให้เขาทำเราก็ ใจของเราก็จะไม่สบายไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นพยายามชื่นชมยินดีกับการทำบุญของผู้อื่นแล้วจะทำให้เรามีความสุขจากการทำบุญของผู้อื่นก็ต่อมาก็ให้เราบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นเวลา เ, าเห็นไทยตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนพอเราที่จะช่วยเหลือเขาได้ บรรเทาความทุกข์ให้กับเขาได้ก็ขอให้เราทํากันทําแล้วจะทําให้เรามีความสุขใจและบุญข้อต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการถ่อมเนื้อถ่อมตัวการถ่อมเนื้อถ่อมตัวนี้จะทําให้เราอยู่กับผู้อื่นได้อย่างสบายจะไม่มีใครรังเกียจถ้าเราทําเป็นคนถือเนื้อถือตัวอวดเก่งหวดดี เราจะอยู่กับคนอื่นยากเพราะไม่มีใครชอบคนอวดเก่งอวน ด, ดีทุกคนชอบคนทำเนื้อทำตัวเราก็จะอยู่กับคนได้อย่างสบายมีความสุขถ้าเราอยู่แบบอวดเก่งอวน ด, ดีก็จะมีแต่คนข้อหมันไส้บางทีเขาก็ลำคาญบางทีเขาก็ขับไล่สายส่งให้ไปอยู่ที่อื่นถ้าเก่งจริงดีจริงทำไมต้องมาอยู่กับเขาใช่ไ นี่คือบุญที่เกิดจากการทำเนื้อทำตนให้เป็นผู้ถอมเนื้อทอมตนอย่ออวดเก่งอวดดีอวดรู้อวดฉลาดถึงแม้จะรู้จะฉลาดก็ไม่จาเป็นจะต้องอวดทำเป็นไม่รู้ดีกว่าสบายกว่าแล้วข้อต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการทำทานเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้อื่น ถ้าเราได้ศึกษาทำทำสอนได้ปฏิบัติทำแล้วเรารู้ว่าบุญกุศลนี่ดีอย่างไรเราก็เอาไปแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นแต่เวลาสอนผู้อื่นเราก็ต้องดูว่าเขาพร้อมที่จะฟังหรือไม่ถ้าเขาไม่พร้อมก็อย่าไปสอนเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะเหมือนกับเทน้ำใส่หลังสุนัขสุนัขมันไม่ชอบน้ำเวลาใส่เทลงไปมันจะสะบัดทิ้งหมด คนบางคนก็ไม่ชอบฟังธรรมะถ้าเขาไม่ชอบฟังธรรมก็อย่าไปพูดอย่าไปสอนให้เสียเวลาแต่ถ้าเขาสนใจเขาถามว่าวันนี้ไปวัดมาได้ยินได้ฟังอะไรบ้างอย่างนี้เราก็บอกเขาได้ว่าวันนี้ได้ยินได้ฟังบุญกุศล ส, สิทธิประการด้วยกันพอสอนเขาเขาก็จะได้ความรู้เขาก็จะได้ดําเนินชีวิตเขาไปอย่าง ถูกต้องทำให้เขามีความสุขพอเราทำให้เขามีความสุขเราก็มีความสุขตามไปด้วยนี่คือการแบ่งธรรมะให้แก่ผู้้อต่อมาก็คือการฟังเทศฟังธรรมก็เป็นบุญเพราะถ้าเราไม่ฟังเราก็จะไม่รู้ว่าบุญกุศลเป็นอะไรเราก็จะไม่รู้จักวิธีสร้างบุญสร้างกุศลกันพอเราฟังเทศฟังธรรมเราก็จะรู้จักแล้วเราก็จะได้ นำมาไปสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความสุขให้แก่เราและบุญข้อสุดท้ายก็คือบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิก็เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมนั่นเองพอเราฟังเทศฟังธรรมเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นพลอยอะไรเป็นไส้เดือนเราจะได้รู้ว่าราบยศสรรเสริญสุข ที่พวกเราหากันอยู่ที่วันนี้มันเป็นเหมือนไส้เดือนส่วนพระรันตนตัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่คือเพชรพลอยที่มีคุณค่าเพราะว่าถ้าเราสามารถปฏิบัติตามที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เราปฏิบัติได้เราก็จะได้เพชรพลอยอันประเสริฐมาเป็นสมบัติของเราก็คือเราจะได้พระนิพพานเราจะได้สิ้นสุดการเกิดแก่เจ็บตาย ไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดอีกต่อไปนี่คือบุญกุศลที่เราควรจะศึกษาแล้วควรปฏิบัติไปตามโอกาสอันควรไม่จำเป็นจะต้องทำทั้งทั้งสิบ ป, ประการพร้อมๆกันไปวันนี้ญาติโยมก็มาทำทำทานถ้าอยากจะรักษาศีลก็รักษาศีลได้เดี๋ยวพระอุทิศ ส, ส่วนบุญพระให้พรญาติโยมก็อุทิศ ส, สวนบุญได้ ถ้าอยากจะอยู่ต่ออยากจะช่วยเหลือผู้ช่วยเก็บช่วยกวาดช่วยล้างถ้วยล้างชามก็ได้บุญอิกนี่คือบุญต่างๆที่เราสามารถทำกันได้ทำแล้วรับรองได้ว่าเราจะมีความสุขอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราให้ท่านได้นำเอาไปเพณิพิจารณา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 ด้วยอายุวันนาสุกกะภะโดยทั่วหน้ากานเธอ <c oughs>